ธรรมะกรรมทวาทศกะว่าด้วยตัชนียกรรมที่ชอบธรรมสิบสองหมวดหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายตัชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินยัยและระงับดีคือ 1. ลงต่อหน้า 2.